ครั้นทรงทำหนิแล้วทรงแสดงธรรมีกถาแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นสงจงลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตแก่ภิกษุชื่อฉันนะห้ามสมโภคกับสง